พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่16มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่าจับผู้รู้ด้วยพุทธโธเนี่ยวันนี้เป็นวันเป็นวันพระ วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนเจ็ดเพนอีกหนึ่งเดือนก็จะเป็นวันเข้าพรรษาวันนี้เป็นวันเดือนเจ็ดเพแล้วก็แรม15บาค่ำเดือนเจดเดือนดับแล้วก็เพนหน้าเดือนเพดเพนเป็นวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช25 54. ผลงานคณาธาญาติโยมที่มาวันพระวันนี้ก็อีกหนึ่งเดือนจะเข้าพรรษาแต่ว่าตามไม่จริงกับทุกปีที่ผ่านมามันก็ผ่านผ่านไปแต่ปีนี้อยากจะให้คณาธาญาติโยมทุกๆท่านได้วางแผนในการสร้างคุณงามความดีใส่ตนเองวางแผนไว้แต่นั่นเนิ่นหนึ่งเดือนวางแผนไว้หนึ่งเดือ น, ว, น, ว, น, อนว่าในพรรษาที่จะถึงเนี้ย เราจะกำจัดกิเลสความชั่วของเราที่อยู่ในตัวของเรานี่อะไรบ้างสมมติว่าเราสูบบุหรี่โอ้เราสูบบุหรี่มากเกินไปเราควรจะงดบุหรี่ในพรรษาเนี่ตายเป็นตายทดลองนะซิอยากจะเห็นตัวเองตายในการงดบุหรี่ทุสิเป็นยังไงในพรรษานี้เอาละข้าพเจ้าจะเตรียมตัวเอาไว้ตั้งแต่บัดนี้และชะลอชะลอชะลอไป พอวันเข้าพรรษาเราจะปิดปั๊ดทันทีเลยฮะอันนี้คือการวางแผนบางคนที่ติดทุราก็เหมือนกันเอาเถอะในพรรษาเนี่ยสามเดือนเนียเราจะงดในการดื่มฮะแล้ ว, วาการเสพคัชงคัญชายาฝิ่นอะไรก็ตามที่มันอยู่ในตัวของเราไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเราแล้วความชั่วยอย่างอื่นมีอีกไหมที่ความขี้เกียจขี้คลานของเรา ที่เราจะพยายามกำจัดออกจากตัวของเราเนื่องในพรรษานี้เราจะทำยังไงเราจะอดนอนผ่อนอาหารกี่วันเราต้องวางแผนเอาไว้อย่างประจักษ์ูบาลในครั้งพุทธกาลในพรรษานี้ข้าเพาเจ้าจะถืออริยบทสามยืนเดินนั่งข้าเพาเจ้าจะไม่นอนตลอดไตรมาสสามเดือนอันนี้ก็คือประจักษูบาล ในครั้งพุทธกาลมีแล้วอันนี้ก็คือท่านภาวนาอย่างเดียวอริยบทสามยืนเดินนัง่งไม่ไม่ยอมเอ็นกายโดยเด็ดขาดอันนี้ก็คือท่านภาวนาของท่านนี่พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่พวกเราก็ควรจะวางแผนการสร้างคุณงามความดีของเราไว้เหมือนกันแต่คนเขาเขาที่จะ ที่จะทําความชั่วเขายาังวา ง, วางยังวางแผน เ, เขาจะวางแผนทําความชั่วเขายังวางแผนเป็นปีๆข้ามปีไปแต่เราจะทําคุณงามความดีจะชําระกิเลสจะชําระความชั่วออกจากกายวาจาใจของเราเนี่ยเราจะซื่อบื้อซื่อบื้อโดยที่ไม่มีการวางแผนเลยก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะาการวางแผนละความชั่วออกจากกายวาจาใจนั้นสําคัญอย่างยิ่ง สมควรอย่างยิ่งเหมาะสมอย่างยิ่งถูกต้องอย่างยิ่งฮนะเพราะเอาคุณงามความดีเข้ามาสู่กายวายจายจใจของเรานะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพันศาหนะ้าสิบสี่เนี่ย25งพหสีเนี่ยอีกจากนี้เป็นหนึ่งเดือนเนะี่ยจะเข้าพรรษาขอให้พวกเราตรวจตราดูเข้าไปเจ้าจะรักษาศินห้าในสามเดือนเนะี่ยจากอย่างเคร่งครัดศินห้า ต, ตลอดไตรามาสสามเดือนรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระไม่ให้ขาดหรือวันรักษาเฉพาะเฉพาะวันวันพระใหญ่วันพระสิบห้าคำ่ำไม่ให้ขาดอย่างนี้หรือว่าก่อนนอนจะไหว้พระทุกวันในพรรษาเนี่ยไม่ให้ขาดถ้ามันขาดแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อขาดก็ทาวัดอีกสมมติว่าขาดห้าวัน เราไปที่อื่นไปอยู่กับหมูกับเพื่อนโอ้ทําวัดไม่ได้ไหวพ้พระไม่ได้ขาดห้าวันเราก็นั่งต่อหน้าพระประธานไหวพ้พระทั้งห้าครั้งทุกทีเนี่ยไห ว, ว้จบแล้วก็ไหว้อีกจบแล้วก็ไหว้อีกจบแล้วก็ไหว้อีกจบแล้วก็ถึงห้าครั้งเออก็ตรวเช็คถอยหลังเออพอมันขาดไปนี่เราทําได้ทั้งนั้นพอมันตัวของเราคือเราไม่แห้ขาด คือรักษาสัจจคํานี้สัจจะคือความจริงจังคือความจริงใจในสิ่งไหนที่มันที่เราตั้งสัจจะไว้แล้วสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่าให้มันขาดนะอไม่ใช่ว่าพอทําขึ้นมาแล้วก็โกหกตัวเองเป็นวันๆไปอพอตั้งคําสัตจคือมาแล้วก็โกหกตั้งแต่วันแรกโกหกไปเรื่อยพอโกหกก็แล้วกันหัวละแห่แห่อีก ข้าลืมไปเนี่ จ, จัจักรของข้าขาดแล้วโกโหกตัวเองหัวเราะได้แต่คนอื่นโกโหกตัวเองวันเดียวนะ่ะหน้าบูดหน้าเบี้ยวอโมโหโกทาให้เขาว่าเขาโกโหกตัวเองโดยมากคนเรามันจะเป็นอย่างนั้นโดยมากจะไม่ชอบมองตนเองถ้าโกหกตัวเองเนี่ยอหดีอกดีใจถึงจะไม่ได้ออกตรใจก็เฉยเฉยเนี่ยเผลอๆยังพูดอีกว่าเป็นธรรมดาโกหกตัวเอง แต่โกหนค น, คนอื่นมาโกหกไม่ได้อผิดธรรมดานี่แหละโดยมากมนุษย์ของพวกเราโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นยิ่งทีลงงท่ลูกน้องของเราที่ด้อยกว่าเราลูกน้องของเราโกหกเราโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟถ้าเพื่อนโกหกเออค่อยยังชั่วหน่อยก็พอถูถ่กันถ้าเจ้านายโกหกโอ้เป็นปกติของเจ้านายต้องเป็นเนี้ยชอบโกหกค่ะ แหมก็รับได้แต่ลูกน้องโกหกที่พูดที่ด้อยกว่าตัวเองโกหกนี่ยแหมรับไม่ได้ฮะโดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นให้สังเกตดูนะที่หลวงพ่อพูดเป็นแนวความคิดทั้งนั้นอสอนให้พวกเราเป็นแนวความคิดะเพราะนั้นอย่ากโกหกตนเองให้มีสัจจะคือความจริงจังและจริงใจจะทําสิ่งไหนให้จริงจังอย่าเป็นไม้ปักขี้เลนคนโบราณเขาว่ายอย่างนั้น เวลาทาคุณงามความดีก็ให้จริงจังผลจะออกมามันจริงจะจริงจังจึงเป็นบุ ญ, บญเป็นกุศลที่แท้จริงและประสบความสำเร็จที่แท้จริงอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านเสด็จออกจากเวียงวังวันแรงท่านบอกว่าท่านคิดดีแล้วที่ท่านออกจากเวียงวังท่านจะไม่หวนกลับมาอยู่เวียงวังอีกต่อไปเมื่อออกไปแล้วข้าพเจ้าจะ ทกากำจัดกิเลสให้เด็ดขาดภายในใจของข้าพเจ้าเนี่ยศีรษะท่านตัดสินใจตัดสินพระทัยอย่างนั้นจากนั้นท่านก็ไปอยู่ในป่าดงพงไพดูถึงหกปีค้นคว้าศึกษาศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจที่มองไม่เห็นพวกเราถ้าเห็นน้ำเราก็ยังเห็นน้ำแต่ถ้าอากาศเราก็ยังมองเห็นอากาศยังมีลมถึงจะมองไม่เห็นลม แต่ปนก็พอสัมผัสได้แต่ใจของเราเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้นอกจากตัวของเราจะสัมผัสตัวตรงของเราว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอะไร น, นี่แหละอันนี้แหละเรื่องของใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแต่พระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องของใจท่านว่าใจเป็นใหญ่พอศึกษาจบลงแล้วหลักจบหลักสูตรแล้วท่านยกประเด็นขึ้นมาเลยว่ามนโนปุพังขามาธรมามนโามนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละท่านไปศึกษาเรื่องของใจทึงหกปีจากนั้นท่านจึงได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาท่านบอกตายและไม่สูญหน้าใจนี่แหละจะ่พาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจนี่แหละเป็นผู้รับความชั่วความดีทั้งหลายใจนี่แหละที่มันทุกข์มันเดือดมันร้อนทุกวันในเพราะใจตัวส่วนร่างกายนะั้น เออมันเป็นเพื่ออาศัยของใจเท่านั้นเองเหมือนกับเราขี่รถนะน่ะเออถ้าคนขับรถโมโหกับขี่รถไปเหยียบสัตว์สาร้ายสิงไปชนคู่ชนคนเข้าเออถ้าโมโหมากมากกันนั่นน่ะเออโดดรถลงเหวบ้างอ่อไปชนต้นไม้ตัวเองตายบ้างเอ่อทําไมอย่างโมโหโกรธขึ้นมามากๆขึ้นไปตึกกระโดดตรงตึกตา ย, ยา น, นัลักษณะอย่างนั้นผูกคอตายอย่างนั้น ใครเข้าผูกอะไรผูกรถแต่คนที่อยู่ในในนั้นที่สั่งรถคันนี้ชื่อสั่งให้ร่างกายไปกระโดดเหวไปกระโดดบ่อไปชนต้นไม้มันมองไม่เห็นจุดนั้นตัวนั้นตัวใหญ่ใหญ่มากพระพุทธเจ้าท่านว่ายอย่างนั้นแต่ละคนนั่งอยู่ด้วยกันเพราะนั้นตัวนั้นสมควรจะได้ได้รับการอบรมด้รับการอบรมไดรั บ, ร, บรับการ แนะนำเสี่ยมสอนจะปฏิบัติอย่างไรจะทำยังไงจึงจะจับตัวนั้นได้ให้อยู่วิธีการที่จะจับใจตัวนั้นให้อยู่จะทำอย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สอนบอกว่าให้ทำสมาธิไม่มีทางอื่นที่จะทำจิตจับจิตใจโดงนั้นให้อยู่ให้เนิ่งได้ให้รู้ตัวเองได้จะมาใช้การใช้งานได้ ถ้าปล่อยปาละลเลยมีเตโมโหโกธาออมองไปเห็นตัวเองมีตัวเองถูกทั้งนั้นใจดรงนี่แต่ถ้ า, าว่าเราใช้ทรรมธรรมะคือสมาธิธรรมกําหนดลมหายใจเข้าออกนั่งเหมือนพระประธานที่ต่อหน้าของพวกเรานั่งอย่างนั้นให้ไม่ให้กระดุกกริกเลยกหนดพุทโธพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่แหละ นั่นแหละวิธีการที่จะจับตัวผู้รู้ตัวนามธรรมตัวนั้นอ่ะตัวสําคัญอ่ะตัวใหญ่ในร่างกายของเราเนะี่ยมีวิธีการจับพุโทโธพุโทโธพุโทโธจากนั้นไม่ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดคิดถึงอนาคตอนาคตก็คือวันพุ่งเนี้ยมะรืนเนี่ยไม่ต้องคิดอดีตก็คืออะไรเมื่อวานนี่ที่หลังมาเนี่ยไม่ต้องคิดอนี่ยทีขณะเดียวนี้นะ่ะคือการพูดของพอเดี๋ยวนี้นะ่ะคือปัจจุบันอ พอพูดปบจบไปแล้วนั่นแหะเป็นอดีตไปแล้วแต่ละคำละคำละคำอนาคตคือคือยังยำคำที่ยังไม่ได้พูดคืออนาคตคำที่พูดจบไปแล้วนั่นคืออดีตกำลังพูดเดี๋ยวขณะนี้นั่นคือปัจจุบันเนี่แหละให้จิตใจอยู่ในขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้อขณะที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ให้ใจอยู่ในเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องคิดถึงที่พูดไปแล้วไม่ต้องคิดที่ยังไม่ได้พูดนะ ให้อยู่เดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยนี่แหละคือให้ใจอยู่ในปัจจุบันในเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันไม่คิดถึงอดีตอนาคตใจของเราก็จะรวมสงบเรวมสงบเน่งเลยกันเลยใสย่ปั๊บเล ย, ยงั้นเะ่ะรวบจิตรวมเลยเพราใจของเราไม่ไม่ไม่คิดอดีตอนาคตพอใจิตใจรวมพับลงไปทันใดรู้ตัวเองเล ย, น เ, นยเออนีเอ่เรารู้ตัวเองเลยกันเล มันเป็นมิติหนึ่งหรือว่าเอกเทศหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งจิตใจมารวมสติเป็นอะไร จ, จิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอะไรสติเป็นอันนั้นมันจะไม่รับรู้ทางกายเลยกันนี่เออมันจะไม่คว้าหน้าขวาหลังใส่สวิตรถว่งงั้นเถอะเออมันจะนั่งจุกปกอยู่ในรถเลยท่านนี่โซฟเฟอร์นะเออนั่งอยู่กลางรถนะเออรถมันก็ทำงานไปเรื่อยมันก็ชึ้งชึ้งๆึชึงช้ง ช, ง ช, ง ช, งชงไปเรื่อยรถหยุดนะขนาดนั้นนะรถมันก็หยุดหลังวงั้นเถอะ เออมีแต่ติดเครื่องชึงชึงชึงชึงึงอยู่นันแะแต่เจ้าของก็นั่งจุกปุกดูตัวเองฮะนี่แหละเมื่อจิตดูตัวเองเสร็จแล้วก็นั่งคิดเอเราจะไปทางไหนเนี่ยว่าจากนั้นก็ถอนออกมาเถอะเมื่อหลับเมือม่อเมื่อเมื่อเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อหายเหนื่อยอะไรเถอนี่แล้วก็คิดขึ้นมาแล้วก็นัง่งเออเมื่อคนได้พักผ่อนแล้วก็คิดออกแล้วถอะนีคิดออกอึงเราจะไปทางไหน ทำไมใจของเราจึงเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้นะเราจะรู้ได้โดยตนเองถึงไหนเราจะคิดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าให้คิดเรื่องอะไรท่านว่ามันหลงรถนะหลงในรถของตัวเองอโลโซเฟอร์ในหลงรถเพนาะงั้ น, นอะพระพาหะตัวเนี้ยรถคันนี้นยมันใช้มาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ น, นนะคานออกมาจากท้องแม่นี่ว่าเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเลย มาถึงวันนี้คําว่าเป็นของเราร่างกายเป็นของเราพระพุทธเจ้าอกไม่ใช่นะโซเฟอร์นะต้องคิดดูให้ดีนะเอท่านสอนใจนะใจคือโซเฟอร์ใช่ไหมล่ะใจนะโซเฟอร์นะจะไปคิดว่าร่างกายนี่เป็นของเรานะอีกสักวันหนึ่งอนยะ่าบอกว่าจะจะแก่นะกายนะ่างเหมือนกับเรานั่งรถนะนั่งรถไปรถอย่าสุดโศมนะรถนะเราบอกได้ไหมลูกสูบจะติดนะสายพานอย่าขาดนะ แมอน้อําำยาแห้งนะอย่าเกิดสนิมนะรถนะเราพูดได้ไหมเราพูดไม่ได้แต่เราใช้ทุกปีทุกวันแต่รถของเรายังมีการพักผ่อนนะแต่ร่างกายของเราถึงจะนอนหลับก็ยังติดเครื่องอยู่ยังลมหายใจยังฟอดแฟดฝอดแฟตอยู่อี่คนตายเท่านั้นลมออกหมดแต่ถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันยังหายใจได้ฟอดแฟดฟอดแฟดฟอดแฟด ต, ติดเครื่องตั้งแต่ ตั้งแต่ออกมาจากท้องแมวกันนะ่ะติดเครื่องจนตลอดรถคันเนี่ยบางทีติดเครื่องตั้งเก้าสิบกว่าปีร้อยปีอย่างองค์หลวงปู่จามเนี่ยร้อยสองปีกว่าละเนี่ยท่านติดเครื่องรถของท่านไว้แสดง ว, ว่ารถคันนี้ใช้ทนมากนะอแต่ว่าถึงยังไงก็ตามต้องมีจุดจบรถคันนี้พราะพระไตจ้าท่านสอนอย่างนั้น พรนั้นอย่าหลงนะร่างกายเนี่ยไม่ให้แก่มันแก่ไม่เจ็บมันเจ็บไม่ให้ตายมันตายมันตายนะผลที่สุดตายแน่ๆนะใจนะอย่าหลงนะแต่เมื่อรถพังไปแล้วนะ่ะใจนี่แหละในโซเฟอร์เนี่ยจะออกจากร่างนะพระพุทธเจ้าท่านบอกโซเฟอร์เนี่ยจะออกจากรถนะแน่ข้อสําคัญเนี่ยก่อนที่จะออกจากรถไปเนี่ยโซเฟอร์ได้เตรียมสตังค์ไว้เลยอย่างได้หาเงินไว้เลยอย่าง ถ้าโซเฟอร์มีแต่เที่ยวตลอนตลอดดูนั่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นโดยที่ไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยเออมีแต่เที่ยวทนายสนุกสนานเผิดเพผย์เฮฮาก็ทําไปเลยอยู่ไปเลยกินไปเลยโดยที่ไม่ได้ส ะ, สะแสวงหาเงินในเมื่อรถคันนี้พังไปแล้วนะ่ะโซเฟอร์จะเป็นยังไงยังไงคิดดูให้หลับตาดูก็ให้ดีก็แล้วกันโซเฟอร์จะมีจะมีปัญญาจะมีเงินซื้อรถคันใหม่ไหม มโซเฟอร์มีเที่ยวก็เล่นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนท่านบอกว่าเมื่อเรามาเกิดมาขนาดนี้แล้วได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนเรารู้จักดีรู้จักชั่วให้สั่งสมคุณงามความดีนะให้ดูแลพ่อแม่เป็นอันดับแรกเป็นบุญกุศลจากนั้นก็ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะในภรษาเนีควรทำตนอย่างไรด้วนแล้วจะเป็นการเสาะแสวงหาทรัพย์ทางนั้นที่หลวงพ่อบอกคือแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจของพวกเราคือแสวงหาเงินเข้าสู่กระเป๋ากระเป๋าของโซเฟอร์นะเพื่อไม่ให้โซเฟอร์รถปันพังไปแล้วแล้วโซเฟอร์ทุกจนไม่มีเงินซื้อรถคันใหม่นี่แหละหลวงพ่อแนะนำมา โเฟอร์อย่าไปลุ่มหลง ม, ม, มัวเมาจนเกินไปนะโซเฟอร์นะให้โซเฟอร์ทั้งหลายทั้งปวงนะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดให้หาเงินเข้ากระเป๋าใส่ให้หาเงินใส่กระเป๋าตัวเองนะตายแล้วร่างกายตายแล้วไม่สูตรนะโชเฟอร์จะออกจากรถคันนั้นนะออกจากร่างนี้นะถ้าว่าโซเฟอร์ขี้เกียจไม่สร้างบุญสร้างกุศลโซเฟอร์ทุกนะ อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไกาได้นะอาจจะเปลี่ยนร่างใหม่จะไม่จะไม่จะไม่ได้ร่างมนุษย์นะอแต่มันเกิดได้แน่แน่แน่เพราะมันเปลี่ยนสภาพลงอาจจะเป็นนกหมูปูปีกล้องจอกจกแจ๊กแจ๊กเนี่ยชนีมนะร้องโอ๊ะโอก้ากเลยเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นไปได้ทั้งนั้นเมื่อมันออกจากร่างนี่แล้วนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพนัสธาญาโจม ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวมาตีแผ่มาขยายผลให้ชัดเจนให้พวกเราฟังและเข้าใจง่ายนะแต่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านก็พูดแบบธรรมดาธรรมดาพวกเราอาจจะฟังไม่เข้าใจนะแต่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังให้ชัดเจนว่ากายกับใจนะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแลนะ่ะเป็นอย่างนี้ถ้าพวกเราอยากจะรู้ให้นั่งภาวนา ทำจิตให้สงบไม่ต้องคิดอย่างที่ว่านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี่ยไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตให้ใจอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จิตของเรารวมพบโปร่งไปแล้วเราจะรู้ได้กายกับใจเป็นคนละอันกันโซเฟอร์กับรถไม่ใช่อันเดียวกันคนละคนกันนรถกับโซเฟอร์เพราะนั้นพวกเราจะแยกได้ชัดเจนเมื่อจิตสงบเมื่อจิตรวมนะ พนักก่อให้พวกเราทุกๆท่านนะจังสมคุณงามความดีถ้าพวกเราขี้เกียจสร้างบุญสร้างกุศลพวกเราก็เป็นโซเฟอร์มีแต่เที่ยวมีแต่เล่นพอรถคันนี้พังแล้วก็หารถคันอื่นยากนะเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจเราไม่เชื่ออีกต่างหากว่าตายแล้วศูนย์ถ้าว่าตายแล้วศูนย์พวกเราไม่ต้องกลัวผีหรอกไปกลัวทําไมผีที่มันมีผีทุกวันก็เพราะว่ามีวิญญาณ มีวิญญาณคือใจนั่นแหละอคือนามธรรมตัวนั้นแหล ะ, ะแต่มันเต็มอยู่ในโลกทั้งหมดก็เหมือนกับคลื่นวิทยุนะ่ะคลื่นชั่นคลื่นยาวมันเต็มไปหมดในโลกเนะี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านวิทยุท่านดีท่านหมุนคลื่นไหนะติดคลื่นนั้นเอเพราะท่านคลื่นของท่านมากนะแต่พวกเราเนี่ยโดยมากมันบางทีหมุนเจอกันก็ไปเจอผีซะเนีมันคลื่นมันเจือกันเอเอม อย่างที่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ fm หลวงพอ่อสถานีหลวงพ่อเนี่ย fm ร้อยเจ็ดจุสองห้าเราหมุนไปสิร้อยเจ็ดสองห้าก็เสียงหลงตาก็พูดพาวขึ้นมาเลยในสถานีแต่หมุนไปที่อื่นมันก็ไม่หลงตาก็ไม่พูดนงะเพราะเหตุไรเพราะมันคลื่นมันคนละคนละคลื่นกัน น, นี้ก็เหมือนกั น, นคลื่นของวิญญาณคลื่นของใจมันเป็นลักษณะอย่างนั้น มันคนละคลื่น fm am เต็มไปหมดในวัตสงสารนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านกล่าวไว้แล้วนะผมขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเป็ น, ปนศาสตร์ที่ลึกลับเป็นศาสตร์ที่สลับซับซ้อนเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งนะเป็นศาสตร์ที่จะชำระจิตใจของพวกเราให้พ้นทุกข์ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่างหากพวกเราศึกษาผมนั้นผมเนี่ย พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาวหลวงปู่ม่านหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านศึกษาแล้วท่านเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึ ง, ฝ, งฝังตัววางตัวไว้ในพระพุทธศาสนาจนตราบเท่าชีวิตของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วกระดูกของท่านเป็นยังไง อธิาธาต์ของท่านเป็นไงกระดูกของท่านเป็นพระาธาตุพวกเราได้กราบได้วาสักราระบูชาเนี่แหละคือพระอรหันต์นะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร